ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระพธิธญาณได้นำเสนอปณิธานของพระโพธิสัตว์ในดีตการนานไกลซึ่งว่ากันตามหลักฐานทมประ ว, วัติศาสตร์จริงๆช่วงสงนั้นยังเรียกว่าอนิจจะโพธิสัตว์คือเป็นโพธิสัตว์ที่ยังไม่แน่นอนอยู่ แต่อยู่ในช่วงที่เปล่งวาจาออกมาแล้วคือปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจา้าพระทรงมองเห็นว่าสัตว์โลกนั้นตกอยู่ในหมหาสมุทรคือวัฏสงสารที่ประสบภัยอันตรายมากได้เกินเมื่อทรงโตลงพระทัยอย่างนั้น ก็ในที่สุดก็สละราชสมบัติออกผนวดแล้วก็เสด็จเข้าไปอยู่ในป่าโดยใช้เพศบรรพยาเป็นฤาษีดำรงชีวิตอยู่ตลอดพระชนมายุสิ้นชีพแล้วก็ไปบังเกิดในโลกสวรรค์แต่ว่าอันก็อีกช่วงหนึ่งก็คือว่าเป็นช่วงที่ ท่านเปล่งวาจาปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้ามาแล้วทีนี้ในการต่อมาเทวดาก็ต้องจุติเหมือนกันท่านบอกไว้ว่าเทวดานั้นจะตจะจุติไปเหตุสี่ประการคือสิ้นอายุสิ้นบุญแล้วก็สิ้นอาหารในขณะเดียวกันก็ ทีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปบันทอนอายุแล้วจะก่อนจะจุติก็จะเกิดเบื่อหน่ายในทรัพย์สมบัติดอกไม้ชิปที่เป็นสัญลักษณ์ของตัวเองก็จะเขี่ยวเฉาลงซึ่งบางท่านก็พอใจนะฮะบางท่านก็อาจจะไม่พอใจก็แล้วแต่แต่ว่าอายุสวรรค์กับโลกมนุษย์เนี่ยมันเทียบเคียงกันแล้วมันห่างไกลกันเหลือเกิน ก็เป็นปัญหาที่น่าคิดสมัครคนยุคใหม่คือพวกที่ศึกษาวิทยาศาสตร์มาจะเห็นว่าความรู้ของเราที่เกี่ยวข้องกับจั ก, กรวาลวิทยามันแสดงขนาดของดวงดาวแต่ละดวงหรือจักรวาลแต่ละจักรวาลไว้ค่อนข้างพิสดารมันก็แสดงให้เห็นถึงว่าการเทียบเคียงบางอย่างเนี่ย มันก็เหมือนกับเอปอนสเตอร์ลิงมาเทียบกับเินบาทของไทยหรือเทียบกับเกียบของเกีขบของลาวในมันหันห่างกันเยอะเหลือเกินราะการเทียบอายุมันก็มีลักษณะอย่างงั้นคือถ้าดาวดวงนั้นมันเป็นดวงใหญ่การหมุนรอบตัวเองในแต่ละครั้งเมื่อเทียบกับโลกเราโลกเราหมุนเป็นวงสุกเท่าไร่แล้วนะฮะเขาก็ เ, าเพิ่งได้รอบหนึ่ง ก็แสดงว่าในขณะที่เราอาจจะหมุนเป็นร้อยปีไปแล้วนะเขาเพิ่งได้แค่วันเดียวแต่นั่นเองางที่ท่านแสดงสวรรค์ชั้นดาวบดึงเอาไว้ว่าร้อยปีเมืองมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคือหนึ่งของสวรรค์ชันดาวบดึงวันถ้าพูดโดยภูมิศาสตร์ก็แสดงว่าดาวดวงนั้นก็ใหญ่ใหญ่มากๆใหญ่อาจจะเป็นร้อยเท่าของเรา หรือว่า เ, ก, าเกินห้าสิบเท่าของเราอพอมาเทียบกันเพราะามีตัวอย่างบุคคลในสมัยนั้นมีบาสิกาท่านหนึ่งชื่อปาติปูชิกาได้จุติมาจากสวรรค์ชั้นดาว ด, ดึงในขณะ ท, ที่เที่ยวชมสวนอุทยานสวรรค์กับมาลาภาริเทพบุต ท่านเกิดมาจุติปุ๊บปั๊บไปนะแล้วก็ระลึกชาติได้แต่างานมีครอบครัวาตายไปเมื่อยุหกสิบกว่าหกสิบกว่าในโลกมนุษย์นะแต่พอระลึกชาติได้ก็ตั้งความปรารถนาที่จะเกิดในสำนักของมาลาทะมาลาภาริเทพบุตรท่านก็ไปเกิดมาลาภาริเทพบุตรยังไม่ได้กลับจากสวนเลยหันไปถามว่าตะกี้หายไปไหน ก็บอกว่าแกจุติไปเกิดในโลกมนุษย์แล้วถามว่าเกิดจริงเหรอทําไมมาเร็วไปเกินอายุเท่าไหร่ก็วอกล่ า, ลาฟังแล้วบอกเออมนุษย์เนี่ยอายุก็น้อยมากสิแต่อย่างงี้ยนะก็บอกน้อยมากแล้วเป็นไงมนุษย์ชายอายุที่น้อยเนี่ยเป็นยังไงบอกโอ้ยประมาทแกนึกว่าอายุแกเป็นร้อยร้อยปีแล้วคือใช้ชีวิตอย่างประมาทน <c oughs> ลาเทว พาลีเทบุตก็สลดใจเพราะการจุจุติแต่ละครั้งเนี่ยรายละเอียดบนสวรรค์เนี่ยท่านจะไม่ค่อยเล่าเพราะว่าเล่าแล้วมันมันสื่อสารยากเหลือเกินก็ะจะเล่าเฉพาะในชาติที่เป็นมนุษย์ท่านก็บังเกิดในสกุลพรามอมาณดาบิดาสิ้นชีพ โดยเพื่อนเพรอัตยาัยของคนระดับประโพธิสัตว์นี่มันคิดแปลกหรือคิดไม่เหมือนไม่เหมือนสามาัญมนุษย์คิดอ่ะมันเป็นอาการกลางคลายของโลภโทสะโมหะลงไปแยะถ้าเรามองดูภาพรวมๆง่ายๆนะว่าในสมัยที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะอยู่ท่ามกลางปราสาทราชวังเอาแหละ ก็พิธีสยุมพรก็เมื่ออายุ 16-29 ะน ะ, ระเราเจนว่าอายุ10กว่าปีทากราไม่ใช่อยู่ในปราสาจน้อยกว่าปีทำกลางสนมกนันในเป็นอนเอนกอัน้นแต่ปรกฏว่ามีโทรโรถองค์เดียวมันแสดงให้เห็นถึงว่า ความสนประไทยในเรื่องทางเพศนั้นอ่อนนุมมากอาจจะเรียกว่าเกือบจะไม่สนประไทยเลยเดยซั้าไปอารมณ์ที่วั่วยุยั่วยวนด้วยประการต่างๆนะพยายามปลนปลือบำรุงบำเรอกระตุ้นเร่งเร้าเพื่อให้เพลิดเพลิน อ, อยู่รายการมาสุขนี่เอาไม่อยู่แต่ลักษณะเหล่านี้มันก็ขัดเกลารพระไทยมาโดยลําดับแล้วความโน้มเอียง ความโน่มเอียงที่ผ่านพบชาติมาเนี่ยมีลักษณะอย่างหนึ่งที่น่าสังเกตเราดูตัวอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยมันจะผ่านการบวชอยู่เรื่อยๆอันชาดกแต่ชาดกไม่ใช่เรียงลำดับพระชาตินะฮะคือว่าป็นการนำเสนอตามสมควรแก่กรณีเหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วก็นำเรื่องอดีตมาเล่า เปนำนานว่เหตุการณ์ในลักษณะนี้ได้เคยเกิดขึ้นแล้วในอดี ต, ตจะมีคนกราบทูนถามก็จะรับสั่งเล่าเล่าย่อหรือเล่าละเอียดก็แล้วแต่เล่าพิสดารจริงๆมีไม่กี่เรื่องเนี่ยนะส่วนมากก็เล่าเฉพาะประเด็นที่ตรงกันคือไม่ไปเล่ารายละเอียดมากพันนั้ก็เกิดในสกุลที่ค่อนข้างสูงคือสกุลพรามอบิดามานดา สิ้นชีวิตแล้วก็บริจาคทรัพย์สมบัติทั้งตวงซึ่งเป็นมรดกอันนี้คือจุดเด่นของท่านเจอเรื่อยสมัยเป็นพโอภิสิทนี่จะเจอในลักษณะจะมีเรื่อยคือไม่มีโลภะไม่ใช่ไม่มีโลภะคือโลภะน้อยแต่ว่าเป็นการมองปัญหาสําคัญว่าเรามองทรัพย์สมบัตินี่เรามองอย่างไงทรัพย์สมบัตินั้นเป็นสมบัติของโลกถ้าฟังโควนึก คำกรอนบทหนึ่งได้นะคำกรอนบทนี้อาตมาพบโดยบัติเหตุแล้วก็กว่าจะจับทางได้เนี่ยหลายปีคือในตอนแรกไปพบที่โรงพยาบาลสูงพออ่านจบก็จำได้ท่านบอกว่าเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้า เจ้าจะเอาแต่สุขสนุกสนไหนจะมามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรจะเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาชอบมากแล้วก็สืบอหาคนเขียนว่าใครเป็นคนเขียนก็ถือว่าเก่งมากๆนะเขียนออกมาได้อย่างเงี้ยแสดงว่าต้องผ่านการประพฤติปฏิบัติธรรมะมาระดับเจริญวิปัสสนากรรมฐานทีเดียว ประชายข้อความแค่สองวันทัดทิายทอดเป็นภาพลักษณ์ขึ้นมาได้เนี่ยไม่จะธรรมดาแต่ก็ยังหาข้อยุติไม่เคยได้มีท่านรูปหนึ่งเคยเล่าให้ฟังแต่ก็ความไม่ได้ชัดเจนและยังไม่เคยคุยกับสมภารวัตสุทัศน์ท่านบอกว่าเป็นพระเทระรูปหนึ่งอายุไม่ค่อยมากเท่าไหร่ยุติวัตสุทัศน์ไม่คยสูงสิงอะไรกับใคร นิยมไหว้พระสวดมนต์เจริญกรรมาฐานเงียบๆแล้วก็เที่ยบจะเที่ยวชอบเที่ยวจะิกไปในป่าต่างๆเราก็ชื่นชมท่านนะแต่ก็ไม่รู้ใครจ่ทุกวันนี้นะต่อมาวันหนึ่งไปเผาศพที่วัดพระสีมาทาตก็นั่งรถรถมาวิง่งช้าๆนะฮะภายในวัดเห็นที่ฝาผนังก็สล า, าก็เขียน ะยศและลาบหาไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวมชนแม้ร่างตนก็ยังเอาไปเผาไฟอ่านจบก็จำได้อีกมันรู้สึกมันซึ้งมากแต่ปัญหาว่าใครเขียนเพราะอะไรกันก็ติดอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นโครงกรบทเดียวกัน ต่อมาก็มีงานที่เราจัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลมิสาขาบูชานต้นๆนี่นนได้เรื่องมาคุณอนเนกเป็นผู้ว่ากรทมแล้วก็ไม่ใช่คุณอนเนกแตคุณอาสาเมฆสวรรค์คุณอา ส, สามเมฆสวรรค์สสเรรนี่ยเขาบวชที่วัด แล้วก็เป็นผู้ว่ากทมเพราะงั้นอัตมาก็เป็นอาจารย์เขาเราก็แห่ประทัดกันตั้งแต่ลานพระบรมรูปมานั่งคุยกันคุยป ร, รบธรรมะกันนะฮะและแกก็ยกข้อนี้ขึ้นมาแต่ยกสลับนะยกและลาผ่าไปแม่แน่นี่ขึ้นมาก่อนเพราะถามเอฟไปได้มาจากไหนแกก็บอกที่มาแล้วบอกว่ากรนเดียวกันแล้วนึกเออจริงมันสัมผัส สัมผัส ด, ด้วยกันเพราะเราจะเห็นว่าการมองตรงนี้ให้เห็นว่าทั้งชีวิตและก็ทรัพย์สินเนี่ยมันเป็นสมบัติของโลกเรามาสู่โลกนี้ด้วยกิเลสกรรมแล้วก็วิญญาณเท่านั้นเองเพราะฉนั้นเราจากโลกนี้ไปก็จากด้วยคุณภาพของกิเลสกรรมวิญญาณคือมากความว่ากิเลสมันลดลงกรรมมันดีขึ้นนะวิญญาณประณีขึ้นแล้วก็ภพมันก็ประนีขึ้นชาติก็ประนีขึ้นก็เท่านั้นเอง แต่การมองอย่างนี้ไม่ใช่มองง่ายจิตใจของคนจะต้องยิ่งใหญ่จริงๆเราเห็นว่าในส่วนของโล ก, กวัตถุทรัพ ส, สมบัติที่พระโพธิสัตว์ท่านบริจาคสละนี่มันก็ประยุติได้หลักที่ว่าเนี่ยยศได้ลาบหาไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพ ส, สมบัติทิ้งไว้ปวงชนแม้ร่างตนเขายัางเอาไปเผาไฟ คืราจะตื่นเต้นกับเรื่องลาบเรื่องยศเรื่องสรรเสริญกันนี้เยอะเราเกิดไม่ให้ความต้องการกัเรื่องแบบนี้ไปไม่มาอาตมาได้รับเลื่อนธรรมนัสสักเป็นราชาคณะเจ้นเทพเมื่อวันที่ห้าเนี่ยพวกรุ่นเดียวไปกันลิบๆแล้วนะเราก็เพิงเลื่อนเป็นคงสุดท้ายตัวสิบปีคนก็มาแสดงมุติตาจิตเดื่องนี้ยังไม่หมดเลย ก็เฉยๆเฉยๆยังคนเป็นบ่นกันเอ๊ะเป็นยังไงจกขุดเห็นเฉยๆไม่เห็นสนใจอะไรเลยก็ไม่ได้จะสนใจเรื่องอะไรอ่นะเพราะจริงๆมันก็เป็นเรื่องสมมติเอาคือเราพยายามมากเลยคือพยายามเป็นพระท่านเองธรรมระักดนั้นก็ถือว่าเป็นราชสกสาระเขาให้ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้ให้เราก็ไม่ได้ว่าอะไร บางทีเป็นอาจารย์สอนอภิธรรมเนรรมี่ยถามอาจารย์อะรจะฉลองสมณศรรมักดิ์บอกเองไม่เคยคิดเลยแม้แต่ความคิดยังไม่เคยมีเลยก็เป็นมาตั้งสองครั้งแล้วก็ยังไม่เคยฉลองเลยเดี๋ยวก็ไม่มีทางที่จะฉลองด้วยนะฮะเพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องสมมติซ้อนขึ้นมาเฉยๆแต่ว่าถ้าเราใช้เป็นประโยชน์มันก็ดีนะ ว่าเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างจิตสานึกและเป็นเครื่องมือในการได้สถานะในการทำงานเพื่อศาสนาหมายความว่ามีที่เหยียบเพื่อจะยืนสมรงานท่นั้นเองแต่เราอย่าไปให้ความสาคัญกับมันเราอาศัยมันเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดังานเพราะฉะนั้นทั้งลาบทั้งยศทั้งสรรเสริญถ้าเรา รู้เท่าทันมันเราก็ได้ประโยชน์จากมันแต่อย่าลืมว่ามันเป็นสมบัติของโลกมไม่ใช่สมบัติของเราไม่ใช่สมบัติติดตัวเพราะเอาก็จริงเนี่ยแม้แต่ร่างกายมันก็ต้องทิ้งมาแล้จากคําถามที่ว่าเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าแต่เอาแต่สุขสนุกสนไหนจะมามือเปล่าเ จ, าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่ามันกลาวมามันก็สอดคล้องกับหลักของสัจธรรมที่คนระดับพระโพธิสัตว์ขัานเข้าถึงตรงนี้ เป็นลูกพระมหาศารมีทรัพย์สมบัติมหาสาลได้รับมรดกอยูค่คนเดียวแล้วก็สละหมดเองก็บอกออกบทเป็นฤาษีอยู่ที่ภูเขาปันดาวะก็ไม่ทราบอยู่ที่ไหนนะฮะถ้าปันดาวะนั้นก็อยู่ที่กรุงราชคฤห์วันหนึ่งก็ได้เห็นแม่เสือตัวหนึ่งเนี่ยทำท่าจะกินลูกของตนเองที่เชิงเขา ก็ได้พูดกับหัวหน้าสิทธิ์ได้ช่วยไปหาอาหารอย่างอื่นมาให้เสือมันช่วยกินกินแทนนะฮรแต่ในขณะเดียวกันเมื่อพูกลูกศิษย์ไปหมดเนี่ยถ้าก็มาเล็งเห็นว่าร่างกายเรามันสกรปรกแปรเปื้อนเกลือกลู้โดยบาาเป็นมากร่างกายนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าเราสังเกตว่าร่างกายเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกข์ ต้งฟังเคยสังเกตสังเกตว่าธรรมเทศนาที่แสดงในตอนต้นๆนะฮะเอาอนัตเอาธรรมจักอนัตอาทิตนี่เอาสามสุดเราเห็นว่าในธรรมในในอาทิตตะปยา ย, ยสูที่แสดงแก่ปุราณิชินคือแสดงความร้อนที่จริงมันก็มีมาจากราคาโทสะโมหะเรียกเฟริงกิเลสเนี่ยนะฮะมันมาจากกิเลสทท้งนั้นแหละ แต่ว่าเวลาแสดงแก่ปุราณาดิตนั้นท่านแสดงพึงพุกไว้แ8ข้อด้วยชาติชรามณโสกะไปเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตเนี่ยแม้อันนี้ก็เป็นไฟเพราะอะไรเพราะาพูดด้วยภา ษ, าษาธรรมดาธรรมดาแต่ในขณะเดียวกันมันเป็นเครื่องวัดถึงภูมิธรรมภูมิรู้ภูมิจิตของคนด้วย พันการมองว่าร่างกายเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์เนี่ยก็มองแบบภัญาธรรมดาง่ายๆนะมันก็เหมือนกับเราพูดว่ากระทะร้อนเนี่ยนะกระทะร้อนเนี่ยมันเป็นผลมาจากไฟทําให้มันร้อนมันไม่ร้อนเองฮนะแต่เราพูดว่ากระทะร้อนก็ได้กับไม่ใช่ว่าอะไรก็ฟังกันได้ โดยไม่ไปสาวถึงสาเหตุลึกๆของมันดังนั้นเมื่อเมื่อท่านมองเห็นเช่นนี้ก็ต้องการที่จะหาอุบายที่จะบดเรื่องทุกนั้นแล้วก็มองเห็นว่ามันต้องบำเพ็ญพุทธการกัดธรรมคือธรรมะที่ทำให้บุคคลเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าผลเส้นทางสายเนี่ย ม, มันยาวนานมากและต้องสร้างบารมีมา จึงได้เกิดความคิดขึ้นมาว่าด้วยบุญด้วบุญ น, นภพพเนนี้จะลืมมาเมื่อก่อนมันเป็นความปรารถนาแต่ไม่ได้สร้างเหตุเพื่อบรรลุความปรารถนาตอนนี้ท่านตั้งใจที่จะสละชีวิตเป็นทานแล้วเล่นใหญ่ะเล่นงานหนักเลยเล่นถึงเล่นปรมาทบารมีทานเลย ต้องการสละชีวิตให้เป็นอาหารแก่เสือแม่ลูกอ่อนซึ่งกำลังขิวมากแล้วก็มองลูกตาเป็นมันอยากจะกินลูกเป็นอาหารแล้วเลยก็ตั้งใจก่อนที่จะกระโดดลงไปเนี่ยบอกว่าด้วยอานาจบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้สัตยรุปเป็นพระพุทธเจ้าในอนาะคตการภายภาคหน้าขอให้ข้าพเจ้าช่วยสัตว์ทั้งหลาย ให้ถึงความรดับสนิทจากสังสารวัฏเถอดตัวนี้มีประเด็นหละเวลาเนี้ยมีการเผยแผ่มีการพูดมีอะไรแสดงส่วนใหญ่มักจะได้ยินคราวาสพูดนะครับว่าไม่ต้องแสดงความปรารถนาไม่ต้องอธิษฐานแต่บางทีพระก็พูดกับเขาไปด้วยคือที่จริงมีอธิษฐานหรือปฏิษฐานมันไม่ใช่ประเด็น แต่ว่าการปฏิเสธการอธิษฐานเนี่ยมันผิดแล้วก็บางทีก็ไปตําหนิคนที่อธิษฐานมันเป็นเจตจํานงเขาเรียกว่าเป็นมโนสังเจตนาคือเป็นความมุ่งมั่นภายในจิตเป็นรูปของสัตยาธิษฐานที่มุ่งมั่นเพื่อให้เกิดผลมันเป็นการรวมพลังจิตของคนสร้างเหตุ เพื่อต้องการผลเมื่อผลใหญ่เหตุต้องใหญ่ถ้าเหตุไม่ใหญ่พอผลเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นไม่ได้จากนั้นพอท่านตั้งสัตยาธิฐานด้วยอำนาจบุญกุศลนุเนีฮยแนวตัวเนี้ยมันเป็นแนวปฏิปทาหลักของพระโพธิสัตว์ใครจะว่ายังไงไม่รู้ในตัวอย่างพระโพธิสัตว์แล้วจะอธิฐานอย่างนี้จะตั้งความปรารถนาเพื่อระสัพพัญญุตยานตลอด ท่าน เ, เคยฟังหมาชาติเวทสันดรชาดกตอมบริจาคทานแต่ละคราวแต่ละคราวเนี่ยจะอธิฐานเพื่อให้ได้จัดสรู้พระสัมพโพธิญาณตลอดและในที่สุดก็สว่าลูกศิษย์จะมาถึงหาอาหารได้หรือไม่ก็ไม่รู้ท่านก็กระโดดลงไปตกหน้าแม่เสือแม่เสือก็เห็นร่างพระโพธิสัตว์ เลยก็ไม่ได้กินลูกก็งดที่จะกินลูกและกินร่างพระโพธิสัตเป็นการตายด้วยกุศลในเจตนาการให้ทานระดับนี้เป็นปรมาทบา ร, รมีทานนะะไม่ใช่เรื่องง่ายๆก็ทำให้นึกถึงความคิดในกระแสหนึ่งเวลานี้อวัยวะของมนุษย์นี่หลายส่วนที่บริจาคให้คนอื่นได้ กวอนกรณ์ก็ได้ไปบรรยายให้ที่อะไรสีราษนะครับนักศึกษาก็ขอยบรรยายให้เรื่องการบริจาคอวัยวะก็ไปพูดได้หลายหลายแห่งแล้วนะครับอกว่าที่จริงเนี่ยเราบริจาคอวัยวะส่วนใดก็ตามเกิดพบชาต่ตอไปอวัยวะส่วนนั้นเราจะมีประสิทธิภาพดีผิดปกติ เส่นบริจาค ต, ตาเนี่ยตาเราจะมีสุขภาพตาดีมากอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่พระเนตรจะแจ่มใสตลอด8ปดสิบพรรษาแล้วพระเนตรอย่างเหมือนเดิมมองชัดเจนมองได้แจม่มใสไม่พรา่ามัวโดยลักสั่งเล่าว่าเพราะผลของการบริจาครวงตาเป็นทานในภบชาติต่างๆของเราก็วามวยผลให้เกิดเป็นอย่างนั้น พันเราเช็คในเชิงนวัตกรร ม, มสรูปนะว่ากรรมเป็นตัวสร้างรูปตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเนถามมาจากอะไรเนี่ยมันจะมาเลยแต่คนจะแมกได้ขนาดนั้นมันพระพุทธเจ้าพันนั่นเองจะแมกไดเราจังแมกไม่ได้เป็นเรื่องของเ ร, เรื่อพุทธญาณแต่เราก็สามารถดูตัวอย่างมาสอบแานให้ได้ ว่าทาไมคนนั้นผมจึงเป็นอย่างนั้นทําไมดวงตาจึงเป็นอย่างนั้นทําไมวิญญะตรงนั้นจะเป็นอย่างนั้นอะไรนี่มันจะบอกว่าเป็นเรื่องของอะไรล่ะไ ท, ไทยๆเรคือบุญทํากรรมแต่งมหมายความว่าเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมก็ไม่รู้นะฮะก็สร้างรูปโรงนั้นขึ้นมาแล้วก็เป็นไปตามกระแสของกรรม ดังนั้นเมื่อตายด้วยจิตที่ผ่องแผ้วอย่างนี้แล้วก็เป็นกุศลกรรมที่แรงมากท่านก็บังเกิดในสุกติโลกสวรรค์อีกละให้เราสังเกตนะฮะเรื่องตัวนี้ที่จริงมันก็ข้ามอะไรมาเยอะแต่เพียงจะ ต, ต้องการจะดูในสองช่วงวความคิดในช่วงที่ท่านตั้งความปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าคิดภายในใจ แล้วก็ช่วงที่เป็นออกมาทางวาจาแล้วก็ช่วงที่เริ่มบาเพ็ญพุทธการกะบารมีธรรมหมายความว่าธรรมที่ทำให้บุคคลได้เป็นพระพุทธเจา้าลักษณะมีความเข้มข้นขึ้นไปโดยลาดับจึงก็หมายความว่าโดยหลักการปฏิบัติของพุทธบริษัทก็เดินมบนเส้นทางสายเดียวกัน เพียงแต่ว่าเราก็ทำได้ยิ่งหยอนไม่เหมือนกันยังไงก็ตามเราขออย่าให้แกว่งออกไปนอกทางมากเกินไปก็น่าจะสบายใจได้ระดับหนึ่งแล้วั้งฟังเท่าไหร่แต่หมวมพ่อโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงครันี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบุ์ในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทายโดยทั่วกันสวัสดี